ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจะมุกคงเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังเราได้สร้างความรู้สึกรับรู้ให้ต่อเนื่องแล้วหรือยังเพียงแค่การเริ่มการสร้างตรงนี้ก็ยังติดขัดก็ยังไม่ต่อเนื่อง เราจงพยายามแต่เราไม่เจริญสติเราก็อยากที่จะเข้าใจในเรื่องชีวิตของเราการเกิดการดับของจิตวิญญาณในขันหาหรือว่าตัวใจของเรานั่นแหละเรารู้อยู่ในภาพรวมแต่เราไม่เคยรู้ลักษณะตัวตนของใจของเราที่แท้จริงเราก็องพยายามสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องแล้วเอาไปใช้การใช้งานรู้จักกลบลมใจ รู้จะขัดเก่ากิเลสอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรเป็นกุศลหรือไม่เป็นกุศลใจเป็นกังวลมีความพุ่งส่านหรือว่าใจมีความสุขเราก็ต้องพยายามหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดสำรวจคนเราเกิดมาเราเกิดมาเราจะไปดําเนินทางไปอย่างไรมาอย่างไรในเมื่อกายเนื้อแตกดับแล้วจิตวิญญาณของเราจะไปไหนเราจงพยายาม ทำความเข้าใ จ, จเจริญสติเข้าไปเห็นเหตุเห็นผลแยกรูปแยกนามหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องคือแยกรูปแยกนามอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามส่วนนามมาทํามีอะไรบ้างที่ท่านบามีเป็นกองเป็นขันเราต้องรู้ต้องเห็นจริงๆเราก็ทําความเข้าใจให้ได้จริงๆถ้าเรายัางเข้าไม่ถึงตรงนั้นเราก็พยายามสร้าง ระเบะบารามีของเราให้เต็มเปี่ยมเรามีความขยันหมั่นเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความเชื่อสะละกิเลสขัดเก่ากิเลสหรือเปล่าเรามีพร ม, มีอหารใจของเรามีความอ่อนน้อมทมตนหรือไม่อย่าพากันผลัดวันประกันพรุ่งพยายามรู้ตัวจทุกเริออยาบทยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายเป็นเรื่องของเราทุกคนทิ้งพระก็เหมือนกันชีก็เหมือนกัน เราก็ต้องพยายามหัดสังเกตหัดวิเคราะห์ อ, อะไรที่จะเป็นประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สมมุติประโยชน์วิมุตติหลวงพ่อก็จะขอเล่าสิ่งเดียวนี้แหละเพราะว่าไม่มีอะไรที่จะเล่าอืเพียงแค่นิดๆเนหน่อยพวกเราจงพากันไปทําให้รู้ให้เห็นให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้เชื่อ การเจริญสติลักษณะของสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้กิเลสหยาบกิเลสละเอียดเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรเราต้องพยายามศึกษาค้นควาเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอย่าไปทิ้งความเพียร แต่จะตื่นขึ้นมาสักวันหนึ่งเราก็คงจะเห็นจุดหมายปลายทางมองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแล้วก็เอามาจําแนกแจกแจงให้สัตว์โลกก็คือพวกเรานี้แหละมาศึกษาทำความเข้าใจกายของเรานี้แหละสนามรบอันยิ่งใหญ่ เราจงจเจริญสติเข้าไปหมั่นพร่อมสอนใจของเราจนกว่าจะใจจะคลายจากขันห้าเห็นเหตุเห็นผลชี้เหตุชี้ผลทําความเข้าใจกับทวารทั้งหของเราตาทําหน้าที่ดูหูทําหน้าที่ฟังรูปรสจินเสียงก็จะเป็นตรวจสอบอา ร, รมณ์เราสติที่เราสร้างขึ้นมาจะคอยตรวจสอบใจของเราทําอะไรก็อย่าให้ใจเกิดกิเลสใจเกิดความอยาก เป็นแค่การเกิดเราก็รู้จักหยุดรู้จักดับการเกิดหนุนกับมังคติปัญญาไปเกิดแทนอะไรที่จะเป็นบุญเป็นประโยชน์บุญใกล้บุญไกลวันที่11อกุมภาพันธ์เดือนหน้ามีโอกาสได้ทำบุญอัญเชิญพระสาลีพระอัญเชิญพระสิวลีองค์ใหญ่สูงประมาณหเมตร ที่จะพาผู้ใจบุญท่านได้ทำถวายจะได้ทำพิธีบูชาบ่วงสวงบูชาบอกกล่าวเทวดาพบภูมิสถานที่ก็เชิญชวนพี่น้องเรามาร่วมสร้างบุญสร้างานิสงด้วยกันส่วนวันที่ส2องมีนาคมก็มีผู้ใจบุญได้จัดทำพิธีหล่อ พระพุทธรูปองเหมือนหลวงพ่อโสทรองใหญ่ถึงจะทำวิธีเหล่าที่วัดของเรามาอัญเชิญมาปฏิฐานไว้ที่สลาพระยกก็อยาบอกกล่าวญาติโยมเราทุกคนให้มีโอกาสมาร่วมมารวมพลังกัน มาบูชาแผ่นทองที่จะหลอมเป็นองค์พระมาบูชาก้อนทองก้อนทองเหลืองที่จะเอามาให้ทุกคนได้บูชาแล้วก็ไปหลอมกับมือตัวเองในวันที่ส2บสองก็บอกกาพี่น้องเรา ชักหน่อยเขาก็จะนำแผ่นทองมาให้เอาก้อนทองเหลืองมาให้ ใ, หใครมาบูชาแล้วก็ไปหล่อองค์พระฝากเอาไว้ในแผ่นดินให้เป็นสมบัติของทุกคนก็คงจะอีกไม่นานเขาคงจะส่งขึ้นมาแต่จะทำพิธีหล่อวันที่12มีนาคมให้ทุกคนได้มีความสุข ก, กันโ อ, อกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิด บอกกล่าวทุกๆคนทั้งเรามนุษย์เราเทวดาทั้งหลายได้ยินข่าวทราบข่าวก็ไปบอกกล่าวอันนี้สง์ใหญ่บุญใหญ่ได้บังเกิดขึ้นหลวงพ่อก็ บอกกล่าวให้ทุกคนได้มาร่วมบุญกันทำสร้างอนิสง์สร้างองค์แทนหลวงพ่อโซทรหรือสร้างองค์แทนพระพุทธองค์ฝากเอาไว้ในแผ่นดินพวกเรามีโอกาสมากเขียนชื่อเขียนนามสกุลลงที่แผ่นทองแล้วก็ไปหลอมให้เป็นองค์พระให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกคน มีโอกาสส่วนทางไม่ชีก็พากันไปช่วยกันทำดอกไม้จัดตกแต่งดอกไม้ที่แท่นองหลวงพ่อให้เสร็จก่อนวันที่1 1ก่อนวันที่12มีนาคมอีกประมาณเดือนกว่าไปช่วยกันนะไปช่วยกันอยู่หลายคนก็ให้พยายามมีความสมัครสมานสมัครีอยู่ใกล้อยู่ไกลมีอะไรก็ช่วยกันทำ ผิดพลาดก็แก้ไขใ ห, ใหม่ผิดพลาดก็ให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าไปทะเลาะบาแว้งกัน จะได้อาคติเพ่งโทษซึ่งกันและกันหล่อจงพยายามมาแก้ไขเราวิญญาณดวงจิตดวงใจของแต่ละคนปรารถนาที่จะหาทางดับทุกปรารถนาที่จะหาทางหลุดพ้นอยู่กันคนละทิศละทิศละทางก็มาอยู่ด้วยกันเพราะเราสร้างอเนกสง์สร้างบุญร่วมกันมาแต่ก่อนถึงได้มาอยู่ร่วมกันอีกสักหน่อยก็ต้องได้ฟัดภากจากกัน เพราะว่าเป็นโกรธของใจรักถ้าไม่ได้พัดภาคจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดภาคจากกันตอนตายพอว่าคอมตายนี่มีมารับเอาลงศพแทบทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เก0กว่าศพแล้ว710กว่าลงแล้วที่อนุเคราะห์สงเคราะห์กันไป นี่แหละความตายมันไม่ได้เลือกการเลือกเวลาขณะที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เราจงพยายามดาเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้การสร้างความรู้ตัวเป็นลักษณะอย่างนี้การจัดระบบระเบียบของกายของวาจาของใจเป็นลักษณะอย่างนี้อะไรเป็นกุศลหรืออกุศลก็โตกันหมดทุกคนก็ต้องพยายามน้อมนาเอาคาสอนของพระพุทธองค์อย่าง ผลบุญให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราใจของเราบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้กายวิเวกใจวิเวกเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเราไม่สอนเราไม่มีใครจะสอนเราได้เลยนอกจากตัวของเราการสร้างบุญสร้างอา น, นิสงส์ทางสมมุติพวกเราทําได้ตลอดเวลาทําร่วมกันได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนต้งอง ต, ตื่นขึ้นมาการสร้างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านก็พยายาม ญาติโยมท่านได้ปรารถนาที่จะมาตั้งโรงทานก็มามาตั้งโรงทานใหญ่วันที่12มีนาคมวันที่12มีนาคมแล้วก็วันที่11กุมภาพันธ์ก็จะได้ทำพิธีอัญเชิญสักการะบูชาองค์พระศิวลีใหญ่มาตั้งไว้ที่แท่นในตรงลานมหาเจดีย์ใหญ่ก็ให้่วยๆกัน อานที่สงบนใหญ่ก็ฝากกัาไว้ในแผ่นดินพวกเราจากไปรุ่นหลังก็จะได้มาสร้างสารต่อเอาละวันนี้เขาจะเริยนทำเบ็ดตัวนี้ฝากันไว้ฝากพร้อมๆกันฝากันไปสร้างสารต่อทำความเข้าใจกันนะ